พระไตรปิฎกเล่มที่สิบสองจุลอัสสะปุรสูตรข้อปฏิบัติอันสมควรแก่สมณนะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่อัสสะปุระนิคมของพระราชกุมารชาวอังคะในแคว้นอังคะณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้กับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายหมู่ชนย่อมรู้จักเธอทั้งหลายว่าสมณนะ ก็เธอทั้งหลายเมื่อเขาถามว่าท่านทั้งหลายเป็นอะไรก็ปฏิญญาว่าเราทั้งหลายเป็นสมณะเมื่อเธอทั้งหลายนั้นผู้มีชื่อย่างนี้มีปฏิญญาอย่างนี้ก็ควรสำเนียกว่าเราทั้งหลายจะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณะเมื่อเราทั้งหลายปฏิบัติอยู่อย่างนี้ชื่อและปฏิญญานี้ของเราทั้งหลายก็จะเป็นความจริงแท้ใช่แต่เท่านั้น เราทั้งหลายใช้สอยจีวรบินทบาทเสนาส น, นะและกีฬานัปัจจัยเพศสัตวบริขารของทายกเหล่าใดปัจจัยทั้งหลายนั้นของทายกเหล่านั้นก็จะมีผลมากมีอานิสงฆ์มากเพราะเราทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งบรรพชานี้ของเราทั้งหลายก็จะไม่เป็นหมันจะมีผลมีความเจริญภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอวรสำเนียกอย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่ทรงควรแก่สมณะเป็นอย่างไรคือภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีอภิชามากคือความเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นยังละอภิชาไม่ได้มีจิตพยาบาทยังละพยาบาทไม่ได้เป็นผู้มักโกรธยังละความมักโกรธไม่ได้มีความผูกโกรธยังละความผูกโกรธไม่ได้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 มีความเห็นผิดยังลกความเห็นผิดไม่ได้เพราะยังละ ก, กิเลสที่เป็นมนทินของสมณนะเป็นโทษของสมณนะเป็นดุดน้ําฝาดของสมณนะซึ่งเป็นเหตุให้เกิดในอบายและมีวิบากที่จะพึงเสวยในทุกขติเหล่านี้ไม่ได้เราจึงกล่าวว่าภิกษุนั้นเป็นผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่สงวนแก่สมณนะภิกษุทั้งหลาย อุปมาเหมือนอาวุธที่ชื่ออมตะชะมีคมสองข้างทั้งชุบและลับดีแล้วสอดไว้ในฝักแม้ฉันใดเรากล่าวว่าบรรพชาของภิกษุนี้ก็มีอุปมาฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้นุ่งห่มผ้าซ้อนมีความเป็นสมณนะด้วยอาการเพียงการนุ่งห่มผ้าซ้อน สำหรับคำว่าผ้าซ้อนในที่นี้แปลจากคำว่าสังาติหมายถึงผ้าที่ใช้ผ้าเก่าฉีกเป็นชิ้นๆเย็บซ้อนกันใช้เป็นผ้านุ่งและหม่มเป็นข้อวัดของลทัทธินอกศาสนาไม่ได้หมายถึงสังาติที่เป็นเครื่องบริการของภิกษุในธรรมวินัยนี้เราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้ถือเพศเลื่อยกายมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการเลื่อยกาย เราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้หมักหมมด้วยธุลีมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการหมักหมมด้วยธุลีเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้อาบน้ำมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการลงอาบน้ำเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้อยู่คนไม้เป็นวัดมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการอยู่คนไม้เป็นวัดเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้อยู่ในที่แจ้งเป็นวัด มีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการอยู่ในที่แจ้งเป็นวัดเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้ยืนแงนหน้ามีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการยืนแงาหน้าเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้บริโภคอาหารตามวาระมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการบริโภคอาหารตามวาระ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 จะพึงละความพยาบาทละความมักโกรธความผูกโกรธได้ละความลบลู่ความตีเสมอละความริษยาละความตรณีละความโอ้อวดละมารยาละความปรารถนาที่เป็นบาปละความเห็นผิดได้ด้วยอาการเพียงการนุ่งห่มผ้าซ้อนมิดอมาดยาสาโลหิตก็จะพึงให้บุคคลนั้นนุ่งห่มผ้าซ้อนตั้งแต่เกิดทีเดียว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 แม้นุ่งห่มผ้าซ้อนอยู่ยังมีอภิชามากมีจิตพยาบาทมีความมักโกรธมีความผูกโกรธมีความลบหลู่มีความตีเสมอมีความริษยามีความตรณีมีความโอ้อวดมีมารยามีความปรารถนาที่เป็นบากมีความเห็นผิดฉะนั้นเราจึงไม่กล่าวว่าบุคคลที่นุ่งห่มผ้าซ้อน มีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงนุ่งห่มผ้าซ้อนตรัสโดยนัยยะเดียวกันถึงบุคคลต่างๆคือหากบุคคลถือเพศเลือยกายหากบุคคลหมักหมมด้วยธุลีหากบุคคลอาบน้ำหากบุคคลอยู่โคลนไม้อยู่ในที่แจ้งยืนงานหน้าบริโภคอาหารตามวาระท่องมนต์ขมวดผมแล้วละจิตที่เป็นอกุศลได ก็ควรให้ทำแบบนั้นตั้งแต่เกิดแต่คนที่ทำเช่นนั้นกลับยังมีอภิชาพยาบาทความมักโกรธและมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นนั้นจึงไม่เรียกคนที่ทำสิ่งเหล่านี้ว่าสมณะด้วยการปฏิบัติเพียงสิ่งเหล่านั้นข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณะภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติ ต, ตามข้อปฏิบัติ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 มีความริษยาก็ละความริษยาได้มีความตรนีก็ละความตรนีได้มีความโอ้อวดก็ละความโอ้อวดได้มีมารยาก็ละมารยาได้มีความปรารถนาที่เป็นบาปก็ละความปรารถนาที่เป็นบาปได้มีความเห็นผิดก็ละความเห็นผิดได้ เพราะละกิเลสที่เป็นมนลถิ่นเป็นโทษเป็นดุจน้ำฝาดของสมณะเป็นเหตุให้เกิดในอบายและมีวิบากที่ตนจะพึงเสวยในทุกขติเหล่านี้ได้เราจึงกล่าวว่าภิกษุนั้นเป็นผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณะภิกษุนั้นยอมพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วจากบากอากุศลธรรมทั้งปวงนี้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 ด้วยอุเบกขาจิตอันภัยบู์เป็นมหักตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ภิกษุทั้งหลายสับุคกรณีมีน้ําใสบริสุทธิ์เย็นสะอาดมีท่าดีน่ารื่องลมถ้าบุรุษมาจากทิศตะวันออกหรือถ้ามาจากทิศตะวันตกหรือมาจากทิศเหนือหรือมาจากทิศใต้หรือถ้าบุรุษจะมาจากที่ไหนไหนก็ตามถูกความร้อนแผดเผา ร้อนลำบากกระหายอยากดื่มน้ำเข้ามาถึงสระบวกกรณีนั้นแล้วก็บรนเทาความอยากดื่มน้ำและความกระวนกระวายเพราะความร้อนได้แม้ฉันใดถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลกษัตริย์หรือออกจากตระกูลรามจากตระกูลแพทย์จากตระกูลสูตรหรือออกจากตระกูลไหนๆก็ตามมาบวชเป็นบรรพชิต เธอมาถึงธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้วเจริญเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาอย่างนั้นยอมได้ความสงบระงับในภายในเรากล่าวว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณนะเพราะความสงบระงับในภายในนั้นถ้าคุณระบุตออกจากระกูลหรือวันะใดก็ตามมาบวชเป็นบรรพชิต เธอทำให้แจ้งเจต ว, วิมุตตปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันคุลระบุตรนี้ชื่อว่าสมณะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปฉันนั้นเหมือนกันแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษีนี้แล้วภิกษุเหล่านั้น มีใจยินดีต่างชื่นชมพระพาสิทธิของพระผู้มีพระภาคดังนี้แล